ธรรมชาดกแผ่นที่11อลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26พฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเนนน้อยสอนใบลานเปล่าวันนี้เป็นวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2557 เมื่อวานในพวกเราได้บวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาห้าโรคเมื่อวานเนี่ยก็จำเร็จรุ่งรุงไปด้วยดีแตกาก็ญาติพี่น้องของพระก่อมากมาเมื่อวานเนี่ยมาอนุโมทนาลูกหลานที่บวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พระลูกพะลาลันทางหลายที่บวชตั้งอกตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระที่ดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานนี้ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ทำรรมเทศนาหรือฟังเทศในช่วงนี้บ้านเมืองเขางดออกสถานในวิทยุของหลวงตาเพราะเขาประกาศห้ามอายการศึกเขาห้ามไม่ให้ออก เราก็ต้องงดต้องฟังแต่ถ้าอย่างไงก็อ่านหนังสือหรือว่าศึกษาในธรรมเทศนาขององค์หลวงตาอยู่ในห้องจมหมดของเราของเรามีหรือว่าพระผีเลี้ยงอันไหนควรจะให้ศึกษามีไหม MP3 ของครูบาอาจารย์ฟังเพื่อการศึกษา สรุปแล้วก็ต้องศึกษาด้วยนะลูกหลานนะไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้เรียนรู้อะไรจะฉลาดขึ้นมานะมีแต่ชื่อว่าฉลาดเท่านั้นเองนะแต่เราไม่ศึกษาถ้าเราไม่เรียนไม่ศึกษาแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องศึกษาบ้างตัวไหนที่ไม่รู้ต้องถามครูบาอาจารย์ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเก่าหลวงพ่อนะอยากจะให้ศึกษานะภาคเก่าเกี่ยวกับวินยัยพอเราจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นผู้มีกฎเกณฑ์พอเราได้ศึกษาวินยัยเรื่องของวินัยเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงเรื่องวินัยเนี่ยจําเป็นสําคัญสําหรับพระเก่า แต่หลวงพ่อขนาดหลวงพ่อทุกวันในหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ห่างเหินเกี่ยวกับวินยัยจับพระไตรปิฎกมาแล้วหลวงพ่อก็ อ, อ่านแต่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงพ่ออ่านเกี่ยวกับวินยัพยพระไตรปิฎกสําหรับประชาชนของอาจารย์ชูชีพปุญญาณุภาพหลวงพ่อจะอ่านตัวนี้เพราะว่าตัวอื่นได้อ่านมาแล้วเรื่อง โครงใหญ่ๆประวัติอะไรอ่านมาเรื่องราวต่างๆอ่านม า, มามากแล้วแต่ตอนนี้มาต้ออ่านตอนนี้คือทบทวนความจําใคล้ายๆว่าเขาย่นย่อให้เรื่องกระทัดรัตว่าเรื่องนี้เป็นมาอย่างไงเราก็อ่านก็เข้าใจเลยเพราะเหตุไรเพราะเรื่องใหญ่เราได้อ่านมาแล้วเราก็มาอ่านตรงที่เขาย่นย่อไว้ให้คือประเด็นสรุปแล้วก็คือทบทวนความจํา ให้ทบทวนความจําที่ได้อ่านมาแล้วนั้นอันนี้เรื่องพระวินัยเราจะมองข้ามไม่ได้เพราะมันเป็นมาตรามาตราเรื่อ ว, ว่าเป็นข้อข้ อ, ขอเกี่ยวกับกฎวินัยของพระสงฆ์ถ้าเราจะไม่ศึกษาเลยก็เลือนลางไปได้ง่ายง่ายเพราะฉนั้นขอให้พวกพระทั้งหลายพระเก่าทั้งหลายผู้ใฝ่ ในการศึกษาแลว้วเป็นพระที่จะอยู่ในพระพุทธศาสนานานเท่านานต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวินยัยอย่าให้ขาดตกบกพร่องแล้วก็วิเคราะห์ให้ออกอีกแต่ทุกวันนี้ก็อย่างว่าเหมือนกันตอนวินยัยเรื่องการอยู่การฉันนี่นะตัวนี้มันแยกยากแล้วเกินไม่รู้จะแยกตรงไหนเพราะว่ามันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เข้ามา แต่ก็เรามาเปรียบเทียบกับในครั้งพุทธการไม่รู้จะเอาจุดไหนถ้าแข่งจนเกินไปก็ยังไงถ้าหย่อนเกินไปก็ยัง ไ, ไงไจุดนี้เป็นจุดที่หลวงพ่อมองมองดูแล้วพูดยากพูดยากไม่รู้จะเอายังไงอย่างภิกษุรับประเคนเพศ ท, ทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่ากาลิกสีอย่างนี้ กาเล็กสี่สำหรับพระหลวงพอบจะพูดวินายก่อนนะเจ็กนิดหน่อยกาเล็กสี่ภิกษุรับปะเคนน้ำตาลแล้วก็ยาวิชีวิตคือรับประเคนได้ตลอดชีวิตสัตตหากาเล็กรับประเคนได้เจดวันอย่างยาเนี่นยาเครือบน้ำตาลแต่ยาลูกกรอนไม่ว่ากันล่ะ ถ้ายาลูกกรอนเนี่ยผสมกับ น, น้ําผึ้งอันนี้คือชัดเจนรับประเค้นได้เจดวันแต่ยาที่ของเภสัตชหรือว่ายาของฝรั่งเนี่ยเขาใส่ขวดมาเนี่ยมีน้ําตาลเคลือบแต่มียาข้างในเนี่ยเราจะรับประเค้นเจวันเหรอหรือว่าเราเราจะรับประเค้นยังไงนี่จุดนี้แหละแต่เราก็มองเห็นหลวงตา หลวงตาท่านว่ามันยาเขาเก็บไว้ใน่นานยาของฝรัง่งยาตัวนี้ไม่ไม่เสียหายเราต้องมองดูว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยข้อนี้เพื่ออะไรให้คยๆแเป็นการสังสมเป็นเกินสะสมแต่ตัวนี้มันอยู่ในขวดก็เก็บไว้เนิ่นานกระสุดแท้แต่ผู้ที่จะดูแลผู้ที่จะรักษานะท่านก็เป็นพูดเป็นกลางๆไว้อีกเหมือนกันเพราะนั้น สิ่งเหล่านี้นักวิเคราะห์หรือว่านักฟินในทั้งหลายก็ควรจะอันไหนไม่ควรจะเหลิงเจ้่งจนเกินไปละเลยจนเกินไปแล้วก็ตึงไว้นะไม่เป็นไรตึงไว้ในดีที่สุดนะแต่ละหลวม น, นั้นหน่าตําหนินะแต่ก็ต้องดูพระวินัยของพระพุทธเจ้าความเป็นมาของวินัยข้อนี้ตอนบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติเกี่ยวกับใครที่ไหน เกี่ยวกับเรื่องอะไร เ, เราต้องดูต้นตอของพระไตรปิฎกแล้วก็มาเปรียบเทียบกันแล้วก็เราก็ต้องคิดดูให้ดีอย่าให้หย่อนเกินไปแต่ว่าตึงเกินไปไม่ว่ากันละหย่อนไม่ควรจะมีอันนี้ก็คือพระวินัยของพระสงคอ์อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านหรือว่าพระทุกองค์ควรจะใส่ใจ ไม่ใช่ว่าศิลของท่านมี227อ่อันนี้มันผิดยังไงถามก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ศึกษาแต่ในเรื่องพระวิ น, ยนัยในหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามนะศึกษามาเรื่อยๆแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยเป็นพระน้อยหนุ่มอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดพระไตรปิฎกเล่มไหนต่อเล่มไหนเอามาศึกษาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเขาจึงว่าหลวงพ่อชาดกนะพออ่านชาดกเรื่องนี้ขึ้นมา พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาหลวงพ่อก็เอาชานดกเ ร, เรื่องนั้นที่ไครศึกษามาเก่ามาเปรียบเทียบให้ดูมาเปรียบเทียบให้ฟังมันเข้ากับจุกในช่วงนั้นๆในเรื่องนั้นๆนินนทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าฮอย่างที่หลวงพ่อสอนเด็กก็เมันกันถ้าเห็นเด็กพวกเด็กๆมานักเรียนมาอย่างนี้นเราบอกเออนักเรียนทั้งหลาย การคบค้าสมาคมกับหมู่กับเพื่อนกับคู่กับคนพักพวกนะต้องเลือกคบนะอเราอย่าไปคบสุมสีสซุมห้าอย่าไปคบคนไม่ดีขนาดพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ายังให้เลือกคบอยู่ด้วยกันยังให้เลือกคบอออย่าไปคบคนพระที่ไม่ดีถ้าคบพระที่ไม่ดีก็ไปตามที่พระที่ไม่ดีพาชั่วไป เราต้องดูพระวินยัยต้องศึกษาพระวินยัยต้องดูครูบาอาจารย์เอาไว้อย่าไปคบพระที่ไม่ดีขนาดเป็นพระก็ยังไม่ให้คบพระที่ไม่ดีฮพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปคบลูกน้องของเทวทัตยอย่างนี้เป็นตน้นนี้หลวงพ่อเห็นเด็กหลวงพ่อเขาจะพูดลักษณะอย่างนี้อย่าไปคบคาสมาคมท่านเราเขาไปเห็นคนที่เกเร เอออมันมีความสุขแต่อนาคตของเราเป็นอย่างไรเอ่อเรียว่าการครบไปแล้วหมู่พเพื่อนองค์นี้เอมีแต่ชอบสนุกสนานชอบโม้ชอบคุยแล้วอนาคตที่เราเข้ามาศึกษาเนี่ยเราศึกษาได้ความรู้ไหมถ้าเราครบอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นวันๆไปอันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนถ้าว่าเราครบ หมู่เพื่อนที่ตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราก็ก้าวหนา้าเอออันนี้เป็นกา ร, รยานมิตรที่ดีเราต้องเดินไปด้วยกัน เ, ออเคียงบา่าเคียงไหลในการเดินทางหาทางพ้นทุกอันนี้เป็นกา ร, รยานมิตรออถ้าได้มิตรอย่างนี้นะดีเลิศประเสริฐออถ้าได้มิตรที่ไม่ดีไปทางเลวนะเราไปให้ความสำคัญนั่นแหละ เราก็เสียหายไปด้วยชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จมไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นการเป็นอยู่ทุกเราพวกเรา ท, ทุกทกท่านนะไม่ว่าอยู่ในกลุ่มชุมชนกลุ่มใดไม่ว่าอยู่ในคณะใดขยาดอยู่ในวัดเราศึกษาดูสิปไตยปิฎกที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนพระสงค์ในพระวินยัยในธรรมปทัตกถาหรือในชาดก พระพทองค์จะพูดตรัสเปรียบเทียบให้ฟังให้พวกเราได้ศึกษาทั้งหมดเรื่องเสียหายเรื่องไม่เสียหายเรื่องดีและเรื่องไม่ดีและการดำเนินชีวิตของตนควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องถึงจะเป็นธรรมจึงจะหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารได้ปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้ จากนันก้นเราเอามาเปรียบเทียบนะเราจะพูดหรือเราไม่พูดนะทางครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษาแล้วท่านก็มาเปรียบเทียบให้ฟังเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ในยุคนี้เป็นอย่างนั้นพวกเราก็จะได้เป็นแนวทางสำหรับปรับปรุงกายใจของเราให้เป็นในทางที่ถูกต้องไปนในทางที่เป็นธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษานะ แต่ไม่ใช่ว่าจะอ่านทั้งวีทั้งวันไม่ถึงขนาดนั้นถึงจะอ่านก็เถอะนะทั้งแต่อ่านก็ถึงจะจบพระไตรปิฎกไม่ได้ปฏิบัติท่านกว่าใบลานเปลา่าแนะ่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ยกย่องในการศึกษาวันเลิศประเสริฐนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติมีแต่ศึกษาอ่านทั้งวีทั้งวันเพื่อความจำพระในครั้งพระพุทธเจ้าก็มี เนี่ยหลวงพ่อก็เปรียบเทียบให้ฟังอีกอ่านอย่างเดียวศึกษาอย่างเดียวค้นคว้าอย่างเดียวจนจบพระไตรปิฎกมีลูกน้องถึงห้าร้อยนะพระโปธิรัตน์พ่อมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านโปธิรัตน์ท่านมาอะไรท่านโปธิรัตน์ท่านจะกลับแล้วเหรอท่านโปธิรัตน์ท่านอยู่ที่ไหนก็ว่า เอาชื่อโปธิรัตนนำหน้าตลอดโปธิรัตคํานี้แปลว่าใบาลานเปล่าฮแปลว่าใบาลานไม่มีหนังสือไม่มีข้อความไม่มีอัรรมอยู่ในนั้นเลยใบายลานเปล่าแต่ทั้งที่ท่านก็จบพระไตรปิฎกมาสอนภิกษุหมู่เพื่อนทั้งหนะ้าร้อยแต่ไปกล่บบาวพระพุทธเจ้าทีไรของใบาลานเปล่าพอพระพุทธองค์ตรัสที่ใดโปธิปรธ์ตก็สะดุ้งทุกทีเหมือนกัน ทำไมเราก็ใบลานเปล่าจริงๆผลที่สุดท่านก็เลยขมโมยหนีออกจากลูกศิษย์ลูกหาของท่านทั้ง500ห้าร้อยหนีไปเลยกลางคืนเลยเดินแบบไม่มีบอกไม่ได้กล่าวใครเลยไปนู่นไปอยู่ในสนบทไปเห็นพระภิกษุสามสิบรูปมีสมมาเน้น้อ ย, อ, ยองค์อยู่ในป่าแต่พระเรานั้นเป็นพระหันทั้งหมด ทั้งสัมมนเนด้วยสมมนเนก็เป็นพระหรหันอีกเหมือนกันพระเทระก็เป็นพระหรหันจนถึงสัมมนเนนน้อยโพธิรัตไปก็ไปกราบพระเทระที่อยู่ด้วยกันที่อยู่ร่วมกันทั้งสามสิบท่านอาจารย์ครับผมเป็นพระมาจากในเมืองมาจากสำนัก ข, ของพระพุทธเจา้ากับผมขอมาศึกษาขอให้ท่านอาจารย์สอนธรรมะให้ผม้วยเทิดโอ้ อาจารท่านเป็นพระหรหันต์เลยรู้อดีตอนาคตหมดทุกอย่างไม่ใช่รู้แต่ภายนอกนะความรู้กระทั่งความนึกคิดอนาคตอีกต่างหากเรื่องราวจะเป็นยังไงท่านอองอ่านออกมดเป็นพระหรหันต์เลท่านแตกฉานด้วยปฏิสัมพิธาญานอีกต่างหากแต่ทั้งหมดทุกองทั้งทั้งสามสิบองทั้งตลอดถึงสัมมาเนนเลยท่านกอดมองดูแล้วแต่ออืผมอ ก็รู้อยู่ที่จะสอนท่านอาจารย์แต่ว่าองค์ที่รองของผมเนี่ยเหนือกว่าผมนะอดีกว่าขอให้มวลท่านอาจารย์ไปศึกษากับองนะองค์ที่สองนั่นนะท่านอาจารย์จะได้ความรู้ความฉลาดผมอมขอตัวจะให้ท่านอาจารย์ไปศึกษากับองคนี้ใครแค่ว่าท่านออกตัวท่านรู้แล้วว่านี่ท่านอาจารย์องค์นี้จะไปถึงไหนฮะ พอไปถึงองค์ที่สององค์ที่สองท่านก็มีญานัทยานัานศนะเหมือนกันรู้อดีตอนาคตเหมือนกันรู้ความเป็นมาเหมือนกันอองค์นี้บอกองค์ที่สามนะท่านเกี่ยวกับการสอนธรรมะนี่ยิ่งนะครับไปองค์นั้นจะไม่ยิ่งได้ไงเพราะเป็นพระหรหันด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมรู้เป็นพระหรหันด้วยกันทั้งหมดองค์ที่สามผักไปองค์ที่สี่องค์ที่สี่ผักไปองค์ที่ห้าก็รู้แก่ใจอะไรนี่ พระโบธิละต้องไปถึงเนนน้อยฮะก็รู้แหละท่านมียานรัศนะด้วยการทุกองค์ท่านก็ผักผักผักลงไปจนไปถึงเนนน้อยไปถึงเนนน้อยเนนน้อยก็ไม่รู้จะพักไปที่ไหนท่านพอไองคสุดท้ายแหละเนพระอาจารย์พระเถระเนี่ยก็ยกมือเอนนน้อยจะไงไงท่านอาจารย์ท่านให้ผักลงมาเนี่ยคิดว่าท่านเนนน้อยคงจะสอนผมได้ อาจารย์จะฟังผมอยู่หรือผมนั่นะแต่ท่านอาจารย์จะฟังผมผมก็ไม่ว่าผมก็จะสอนให้เออเอาถ้สมานเนนยังไงยังไงเราก็จะฟังอสัมมานเนนพูดยังไงเราจะฟังเออเอาถ้าจะฟังผมก็เดินตามหลังผมไปถ้าผมจะพาไปเอออาจารย์ก็เดินตามหลังไปเดินตามหลังสัมมานเนนไปพอเดินเดินไปอาจารย์อาจารย์เข้าป่า แต่ไม่ได้ถามว่าเข้าป่าเพราะอะไรเนี่ยสมณเณรบอกให้ชี้ให้เข้าป่าอาจารย์เดินเข้าป่าอาจารย์ก็ไม่ได้ถามเลยนะเดินเข้าป่าเลยดีอย่างที่สมมเณรสั่งทางสมณเณรบอกเดินช่วงๆเข้าไปในป่านะครับอาจารย์นนี่หมดหมดเข้ามาออกออกมาท่านอาจารย์แต่ก็เดินออกมาออกมาไปเห็นสระน้ําอสระน้ําอาจารย์อาจารย์ลงน้ําอสมมเณร สัมมณีนภารหันนิวิเชยธรรมดาเนีอาจารย์อาจารย์ลงน้ําอาจารย์เนีเกิดปีทั้งผ้าสังคาติถอยเดินช่วมช่วงลงไปในน้ําพอผ้าจะเปียกสมมณีนอาจารย์อาจารย์ขึ้นมาขึ้นวะขึ้นมาอาจารย์เทนี้สัมเณีก็รู้แล้ว่าอืออาจารย์นี่แปลว่าเราสั่งยังไงเราพูดยังไงอาจารย์โบธิรัตน์นี่เชื่อเราทั้งหมดอ่า เพราะว่าเราให้เข้าป่าเราให้ลงน้ําท่านไม่เถียงไม่พูดอะไรสักคําเลยท่านต้องฟังเราจากนั้นก็ไปนั่งเลยไปอาจารย์ไปหามุมสงบไปก็ไปหาที่สงบมุมหนึ่งแล้วกันนั่งข้างๆต่อหน้ากันทำมเนน้อยก็สอนอาจารย์ให้ให้สังเกตดูนะที่ผมจะบอกจะกล่าวนี้นะให้อาจารย์สังเกตผมจะสอนผมจะบอกนะ เป็นแนวทางให้อาจารย์ได้ศึกษาคือมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งมีจอมปลวกแห่งหนึ่งแล้วก็มีรูอยู่ที่นั่นห้ารูแล้วมีรูดักรูหนึ่งแล้วก็มีเฮี้ยตัวเงินตัวทองอยู่ในจอมปลวกนั่นนะแล้วให้อาจารย์ปิดรูหามใบไม้หรืปิดรูห้ารู แล้วให้อาจารย์เดินลงไปในขุดในรูดักะออมันมีรูดักขุดลงไปแล้วตามไปเรื่อยๆอูรูหนึ่งแต่ห้ารูนัปิดรูไว้เพื่อไม่ให้ตัวเฮียมันออกแล้วก็จะแล้วก็จะจับตัวตัวเงินตัวทองตัวเฮียได้อาจารย์ที่ผมพูดนะอาจารย์พอเข้าใจนะเพราะท่านได้เรียนพระไตรปิฎกมาแล้วเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้ว เออเออสามเณรเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ้าวถ้าเข้าใจละป่ะแจกย้ายกันไปปฏิบัตินะอาจารย์ดูนะขับออพอจากนั้นมาตั้งก็ไปนั่งภาวนา เ, ออเขาว่าเฮี้ยก็คืออะไรคือใจใช่ไหมออคือตัวผู้รู้คือนามะธรรมตัวนี้คือตัวเฮี้ยใหญ่เลยมันออกไปทางตาเลยลูมันออกทางตาเลยไปเห็นลกไปเห็น ูพอใจไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งเข้ามาตัวเหี้ยไปออกไปหากินใช่ไหมล่ะไปหากินทางทางตาอไปกินทางตามันก็เข้ามาหาใจแล้วอีกตันึ่งมันจะเลื้อยไปทางหูเนี่ยเขายกย่องสนับสริญเข้ามาก็ดีอกดีใจถ้าเขาดา่าเข้ามาก็เสียใจเหี้ยตัวนี้เหมือนกันเนี่มันออกไปทางหูอะไรไปมันก็ออกไปทางจมูกอกีกทางลิ้นอีกทางกายอีกทีเนี่ย แล้วมันออกทางหากินของเฮียนะต้องก็รู้อสัมผัสทางกายมันมีความรู้สึกอย่างไงเอเมื่อใจของเราออกไปสัมผัสทางกายดีใจหรือเสียใจเนี่ยปิดทุกรูมันไว้เดี๋ยนจะไก็ดูที่ใจเลยเดเอยวกหนดดูที่ใจมันนึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดียวนี้มันเป็นกิเลสหรือมันเป็นความโลภความโกรธความหลงเป็นอย่างไง เด็กจ่อลงที่ใจดูที่ใจดูที่ใจอย่างเดียวไม่ให้มันออกเลยไม่ให้เฮีย้ยออกไปทางตาทางหูทางจมูกไม่ให้ออกไปทางสัมผัสแ อ, อ่ออกไปข้างนอกเพราะพระไตรจ้าอยู่พระคันทกุูดีอยู่วัดเบ็ดวัดปลาเชตวันแผ่รัศมีมาทางนั่นเลยทตนี่มาจา้าต่อหน้าพระโปธิรัตเออโปธิรัตเนี่ยถูกต้องแล้วต้องดูจุดนี้ให้รู้จัก อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะโพธิรัตน์นะพรนะองค์เทศเป็นธรรมะให้ฟังโพธิรัตน์ก็วางในขณะนั้นได้สําเร็จเป็นพระรหันเลยเออเป็นพระรหันใช่แล้วนะพระโปรธิรัตน์ก่อนนะเออตามเสด็จพระพุทธเจ้าเลยไปตามกระแสมากราบพระพุทธเจ้าเลยที่วัดป่าเชิตะวันนะเออเนี่ยแนหะจากนั้นมาท่านก็สอนลูกศิษย์ลูกหาเต็มเปี่ยมเลยท่าน อคำว่าโพธิรัทธคำนั้นนะแปลว่าไม่ได้พูดอีกแล้วนะเป็นพระหรหันแล้วนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือธรรมเทศนาหรือว่าแนะนําสั่งสอนนะเนนน้อยก็สอนได้ถ้าเราเชื่อถือเชื่อฟังไม่ใช่ว่าจะให้พระพุทธเจ้าสอนองค์เดียวไม่ใช่นะธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดสมมานอสอนท่าน อโปเทลที่เป็นจบที่จบพระไตรปิฎกอจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์วิธีสอนท่านสอนยังไงอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานสิ่งเหล่านี้แหละอในพระไตรปิฎกหรือในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีแง่มุมให้ได้คิดให้ได้ศึกษาแล้วก็ได้นํามาประพฤติปฏิบัติมีหลายแง่มุมที่พวกเรา จะได้ศึกษาน ะ, ะวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อนนี้ไปรับพอนในทีนี้นะ